ในช่วง 10-20 ปีมานี้เนะี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียนันคือน้ำท่วมนะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากมากขึ้นเรื่อยๆเหนือเมื่อสิก่ปีก่อนก็มีน้ำท่วมที่มุมไบ ป, นะประเทศอินเดียาคนตายเป็นพันเลย ไอ้ที่น้ำท่วมมันเกิดขึ้นทีแล้วก็รุนแรงขึ้นแล้วขยายวงกว้างนี่เพราะอะไรส่วนหนึงก็อย่างที่เรารู้กันนะปรากฏการโลกร้อนทำให้อากาศแปรปรวนฝนตกหนักดุรแรงกว่าที่เคยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะระดับน้ำทะเลมันก็ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเพราะจะปรากฏการกร้อนร้อนประกอบกับเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันสุดตัวลงนสุดตัวลงอะไเป็นเพราะว่าใช้น้ําบาดาลกันเยอะอย่างกรุงเทพนี่ก็สุดอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะว่าการใช้น้ําบาดาลกันจนกระทั่งไม่เหลือแล้วแต่ว่าตัวการที่สําคัญนะ ที่คนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะคือพลาสติกนะพลาสติกที่ว่านี่คือขยะพลาสติกเพราะว่ามันไปอุดนะตามท่อระบายน้ำแล้วก็จำนวนของมันก็มีมหาศาลมากนะมากพอที่จะทำให้เวลาฝนตกนี่น้ำระบายไม่ได้ก็เกิดน้ำท่วมขึ้นมา พลาสติกตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่นะโดยเพราะในเมืองใหญ่ๆ ใ, ในเอเชียเนี่ย mm hmm. ก็ว่าเนี่ยมีคนประมาณสักองร้อกว่าล้านคนนะที่จะต้องเดือดร้อนเพราะขยะพลาสติกเนี่ยมันทำให้น้ำท่วมสองรล้านนี่หมายถึงคนที่อยากจนนะคนที่รวยนี่ไม่นับนะ เพราะว่าพลาสติกมันเป็นปัญหาใหญ่นะในช่วงนี้นะอาทิตย์เนี้มันก็เลยมีการประชุมระดับโลกเลยนะที่ประเทศฝรั่งเศสนะกรุงปารีสมีตัวแทนของประเทศต่างๆ200ประเทศนี่มาประชุมกันเพราะว่าถือว่าพลาสติกนี่มันเป็นปัญหาระดับโลกเลยแต่ไม่ใช่เพียงเพราะว่าพลาสติกนี่มันทาให เกิดการอุดตันตามท่อระบายน้ำจนระทั่เกิดน้ำท่วมนะอันนั้นยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่นั่นเท่ากับการที่พลาสติกนี่มันกลายเป็นมลภาวะที่กระจายไปทั้งโลกนะแม้กระทั่งมหาสมุทรใหญ่ๆนี่แปซ c ฟิกแ a t l a n ต i c ตอนนี้ก็มีแต่ขยะ สัตว์น้ําจํานวนไม่น้อยก็ตายเพราะขยะกินถุงพลาสติกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นปลาวานปลาโลมาเต่าเดี๋ยวนี้แม้ทั้งสัตว์ปีกนะก็ตกเป็นเหยื่อของขยะพลาสติกด้วยไม่นับสัตว์ป่านะตามอุทยานเนี่ยเช่นช้างกวางจํานวนมากก็ตายเพราะกินขยะพลาสติกแต่มันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะสัตว์ทั้งหลายนะ มันเป็นอันตรายถึงคนด้วยเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันสลายก็จริงนะแต่มันไม่ได้สลายหายไปมันสลายกลายเป็นฝุ่นฝุ่นเล็กๆนะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่าไมโครพลาสติกนะหรือว่าพลาสติกจิว๋วมันอันตรายยังไงมันอันตรายเพราะว่า ปลาก็ดีหอยก็ดีกุ้งก็ดีก็รับเอาฝุ่นพลาสติกนี้เข้าไปเพราะว่ามันปะปบบนอยู่ในทะเลปะปนอยู่ในแม่ น, น้ำแล้วพอไอ้ฝุ่นพลาสติกเนี่ยมันก็ไปอยู่ในตัวปลากุ้งหอยเนี่ย พวกนี้ในศูนย์มันก็เข้าสู่ร่างกายคนนะพราะกลายเป็นอาหารคนกินเข้าไปพลาสติกนี่ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วมันย้ายที่นะจากปลากุ้งหอยมาสู่คนสะสมตามอวัยวะต่างๆปอดตับหัวใจสมองซึ่งก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเช่นมะเร็งอันนี้ไม่นับปัญหาอื่นอีกมากมายนะ เช่นพลาสติกเนี่ยที่มันอยู่ตามผิวดินผิวน้ำพอมันเจอแดดมันก็คายมีเทนเอเทิลีดพวกที่เป็นก๊าซเซื่อนกระจกทำให้ปัญหาโรคร้อนรุนแรงมากขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว มันเป็นมลภาวะระดับโลกเลยนะมัเนเรียกว่ลาสติกพิลูชันและทุกวันนี้เนี่ยมันมีการผลิตพลาสติกปีนึงเนี่ยนะสี่กว่าล้านตันแล้ว2ใน3เนี่ยคือประมาณส0มล้านตันเนี่ยเป็นพลาสติกที่มันใช้งานประเดียวประดาเช่นถุงพลาสติกใช้เดี๋ยวเดียวก็ทิ้งแล้วทิ้งแล้วไปไหนนะมันก็ พอกลายเป็นขยะก็ป่าปนอยู่ในดินอยู่ในน้ำและสร้างปัญหามากมายกับคนและสัตว์ตอนนี้เขาก็เลยนะมีการประชุมระดับโลกว่าเนี่ยจะมีสนธิสัญญาแบบไหนที่ใช้บังคับทั้งโลกเลยนะใช้บังคับทุกประเทศเพื่อลดการใช้พลาสติกตอนนี้หลายประเทศนี่เขาก็ ก้าวหน้าไปไกลแล้วนะเช่นบางปละเทศนี่ตั้งแต่20ปีมาแล้วนะเขาห้ามเลยนะห้ามการผลิตการใช้ถุงพลาสติกเมืองไทยเราเนี่ยเราเพิ่งขยับนะแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยเป็นร้อยประเทศแล้วนะเขามีกฎหมายควบคุมการใช้การผลิตถุงพลาสติก ไม่รูปแบบใดก็รูดแบบหนึ่งบางแห่งก็ห้ามใช้เลยนะอย่างบังคลาเทศและอีกหลายประเทศเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะของเมืองไทยด้วยนะน้ําท่วมในกรุงเทพและตามเมืองใหญ่ๆนี่ก็เพราะถุงพลาสติกเนี่ยมันไปอัดนั่นนะเพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกนิดเดียวแค่ชั่วโมงเดียวนี่ก็ท่วมและบางขวางสุขุมวิทห้วยขวางสุขุมวิทเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะ ใส่ใจโดยการข้อแรกคือลดการใช้ถุงพลาสติกหรือลดการใช้พลาสติกลดการใช้พลาสติกที่มีผลมากคือลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าลดการใช้หลอดหรือถ้วยพลาสติกนจะไปซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อน้ำเนี่ย ถ้าหิวปิน่นโตไปหรือว่ากระบอกน้ําของตัวเราเองมันก็จะช่วยลดนะถุงพลาสติกไปได้เยอะเลยหรือว่าใช้ถุงผ้านะเวลาไปซื้อของจริงเนี่ยแม้กระทั่งขวดน้ําขวดน้ําเปล่าเนี่ยซึ่งตรงนี้ใช้กันเยอะมากแม้กระทั่งวัดเรานี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีขวดน้ําพลาสติกที่เป็นขยะนี่ ถ้านับดูก็อาจจะเป็นพันเลยนะถ้าหากว่าญาติโยมนี่เอามาถวายให้น้อยลงนะอันนี้มันก็จะช่วยได้ช่วยลดการลดขยะพลาสติกลดแล้วไม่พอนะมันต้องรีไซเคิลด้วยหรือว่าใช้ใหม่ด้วยนะเอามาใช้ใหม่ถุงพลาสติกนี้เอามาใช้ใหม่ได้เอามาใช้ใหม่ได้หลายครั้งนะแม้กระทั่งแก้วพลาสติกเนี่ยมันก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง หลายครั้งก่อนที่มันจะกลายเป็นขยะแล้วก็รีไซเคิลด้วยนะรีไซเคิลนี่จริงอยู่นะเราไม่ได้รีไซเคิลเองนะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยนะเช่นแยกขยะการแยกขยะก็จะทําให้การรีไซเคิลพลาสติกมันทําได้ง่ายขึ้นต้องใส่ใจหน่อยนะแม้ว่าทางวัดเรานี่แม้ก็มีการแยกขยะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่คนมาวัดมาทําบุญ เราไม่ใส่ใจเรื่องขยะบุญที่ได้มันเกิดขึ้นน้อยนะแต่ถ้าใส่ใจขยะด้วยนี่มันก็เป็นบุญคือเกิดประโยชน์ทั้งกัดจิตใจของเราแล้วก็แก่สิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจผลควายกันมากขึ้นโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะจะใช้กันอย่างสะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนี่มันไม่ได้แนละ้วมันต้องคิดต้องใส่ใจกับการใช้การบริโภคสิ่งต่างๆให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมหรือคนรุ่นหลัง